พระพุทธคุณเก้าบทโดยธรรมดาคนที่จะซึ้งในคุณค่าของพระรัตนตรัยนั้นจะต้องเป็นคนที่เห็นแจ้งในเรื่องอริยสัจพอสมควรและไม่จําเป็นต้องถึงขั้นเป็นพระอริยะบุคคลก็ได้แต่ก็ต้องมีความแน่ใจว่าเมื่อยังมีตัณหาอยู่ตายแล้วจะต้องเกิดอีกตัณหานี่แหละคือต้นเหตุแห่งความทุกข์ การดับตัญหาเสียได้คือความพ้นทุกข์มักมีองค์8เท่านั้นคือทางให้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ความเข้าใจในหัวข้อเหล่านี้จะต้องลึกซึ้งอย่างเพียงพอโดยเฉพาะจะต้องแน่ใจจริงๆว่าชีวิตจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตลอดไปในเมื่อตัญหายิงไม่สิ้นไปจากสันดานความเข้าใจในจุดนี้จะต้องแจ่มแจ้งปราศจากข้อสงสยัยใดๆ และในที่สุดจะต้องสรุปได้ว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากความเข้าใจและความแน่ใจในเรื่องเหล่านี้คือพื้นฐานอันสําคัญยิ่งเป็นพื้นฐานจําเป็นโดยที่จะหาความรู้ความเข้าใจอย่างอื่นมาทดแทนไม่ได้เช่นคนที่มีความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดีแต่ไม่มีความรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องอริยสัจ เกี่ยวกับเรื่องสังสารวัฏเกี่ยวกับเรื่องวิบากของกรรมอย่างเพียงพอแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงคุณค่าของพระรัตนตรยัยกล่าวคือจะยังไม่ค่อยแน่ใจว่าพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของโลกและก็มีเพียงพระรัตนตรัยอย่างเดียวเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดจริงๆในหนังสือวิ ญ, ญญาณฉบับที่แล้วมานี้ข้าพเจ้าก็ได้ชี้ให้เห็นว่า ถ้าหากพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแล้วแกลๆก็ไม่อาจที่จะชี้แจงให้ทราบได้ว่าชีวิตนี้เป็นผลที่เกิดมาจากวิบากแ่งกรรมของตนเองเพราะผู้ที่จะทราบเรื่องนี้ได้อย่างทะลุโ ป, ปร่ปปรงจริงๆนั้นจะต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงต้องสามารถระลึกชาติได้ต้องมีตาทิพมองเห็นชีวิตในโลกของโอปปาติกะและรู้ความเป็นไปในโลกนี้ได้โดยตลอด ต้องรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องจักรวาลต้องรู้แจ้งที่สุดของชีวิตและที่สุดของโลกและเรื่องอื่นๆ อ, อีกหลายอย่างซึ่งรายละเอียดเหล่านี้ท่านจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้ศึกษาให้เข้าใจถึงเรื่องพุทธคุณโดยละเอียดแล้วซึ่งในที่สุดท่านก็จะสรุปได้ว่าเพราะอย่างนี้เองคนอื่นนอกจากพระพุทธเจ้าจึงไม่อาจที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตดังที่กล่าวมันนั้นได้ฉะนั้น ต่อไปนี้ขอให้เรามาเรียนพุทธคุณกันให้ละเอียดบทพุทธคุณซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นคือบทสวดมนต์ที่ได้สรุปถึงพระคุณคือคุณงามความดีของพระพุทธองค์ไว้ว่ามีอยู่อย่างไรบ้างในบทสวดมนต์นี้ได้สรุปไว้ว่าคุณสมบัติหรือคุณงามความดีต่างๆของพระพุทธองค์นั้นมีอยู่9ก้าประการ พุทธคุณประการที่หนึ่งอารหังเป็นพระอระหันต์คำว่าพระอระหันต์ในที่นี้หมายความว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงและคำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายถึงสันดานบริสุทธิ์คือในจิตใจส่วนลึกหรือในจิตไร้สำนึกก็ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยจิตของพระพุทธองค์นั้น เปรียบเหมือนน้ำฝนที่บริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในขวดแม้จะเขย่าอย่างไรก็ไม่มีคุนเพราะตะกรที่นอนค้นขวดไม่มีส่วนจิตของปูตูชนในบางขณะอาจจะบริสุทธิ์ได้แต่บริสุทธิ์ในส่วนจิตสํานึกบริสุทธิ์อย่างผิวเผินซึ่งเปรียบเหมือนน้ำในลำคลองที่คุนซึ่งเอามาใส่ขวดทิ้งเอาไว้เมื่อน้านั้นนิ่งอยู่ น, น, นานๆน้าข้างบนก็จะใส จิตของปุถุชนก็เช่นเดียวกันในเมื่อไม่กระทบกับอารมณ์ที่ยั่วให้เกิดกิเลสก็อาจจะบริสุทธิ์ได้เพียงชั่วขณะเช่นอย่างในเวลาที่เราเข้าสมาธิในเมื่อจิตสงบจิตก็บริสุทธิ์เกิดความสบายใจความเยือกเย็นใจแต่พอมีอะไรมากระทบความสงบหายไปแล้วกิเลสก็จะฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นคาว่าอารหังซึ่งแปลว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ นี่จะต้องเข้าใจความหมายให้ถูกต้องนักปราณิทางโลกไม่ว่าจะเก่งหรือเชี่ยวชาญสักเพียงไรก็ยังมีกิเลสอยู่ในสันดานเช่นตัญหาราคะมีความโลภมีความโกรธมีความยึดถือในตัวเองอย่างผิดๆอย่างนี้เป็นต้นสำหรับคนที่ยังมีใจไม่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้แจ้งถึงเรื่องชีวิตทุกแง่ทุกมุม ไม่ต้องพูดถึงนักปราดในทางโลกก็ได้คือแม้แต่พวกศาสดาที่นับว่าเป็นผู้ให้กำเนิดลัทธิศา ส, สนาใดศา ส, สนาหนึ่งหรือนักบวชผู้ที่มีฌานสมาบัติอย่างสูงเช่นท่านอาลาลดาบดและท่านอุทกาดดาบดเป็นต้นซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่มีฌานสมาบัติสูงกว่าใครๆทั้งหมดในสมัยครั้งพุทธกาลและทั้งที่เคยเป็นครูของพระพุทธเจ้ามาก่อนก็ยังไม่อาจที่จะรู้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องชีวิตได้ทุกแง่ทุกมุม ทั้งนี้ก็เพราะยังมีความยึดถือในเรื่องตัวตนคือยังถือว่ามีอัตตาอยู่และความอยากที่จะมีตัวตนที่พระนิที่สุดตามความยึดถืออันนี้ก็ยังมีอยู่ฉะนั้นจึงไม่อาจที่จะเป็นพระอระหันต์คือเป็นผู้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงได้ความเป็นผู้ปราศจากิเลธโดยสิ้นเชิงกล่าวคือตัณหาอุปาทาน ไม่มีเหลืออยู่ในสันดานเลยภาวะอย่างนี้คนส่วนมากเข้าไม่ถึงหรือไม่รู้สึกซึ้งว่ามีคุณค่าสูงเพียงไรทั้งนี้ก็เพราะคนเราอยู่กับกิเลสจนเคยชินและก็เชื่อความคิดที่ได้มาจากประสาสัมผัสโดยไม่รู้สึกตัวว่าประสาทต่างๆเท่าที่เรามีอยู่ในขณะ น, นี้เป็นสิ่งที่จํากัดมากและไม่รู้ว่าเรามีทางที่จะหาความรู้นอกเหนือจากประสาสัมผัสได้ หรือพูดอีกในยะาหนึ่งคนส่วนมากไม่รู้ว่าสมองและประสาทต่างๆมีทางที่จะทำให้มีสมรรถภาพสูงเกินกว่าระดับที่เรามีอยู่ในขณะนี้ได้อีกมากมายถ้าหากเราพยายามเข้าสมาธิไปให้ลึกจนกระทั่งตัดความสัมพันธ์กับโลกภายนอกได้หรือพูดอีกในยะาหนึ่งทุกคนอยู่ในฐานะที่จะมีตาทิพหูทิพระลึกชาติได้อ่านใจคนอื่นได้ โดยไม่ต้องอาศัยการดูหรือการฟังถ้าหากเราฝึกสมาธิไปให้สูงจนได้ฌานสมาบัติขั้นสูงเพราะเหตุที่คนส่วนมากไม่ยอมเชื่อว่าความรู้นอกเหนือประสาทสัมผัสเป็นสิ่งที่มีได้ด้วยเหตุนี้จึงไม่เห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์จากกิเลสหรืออีกประการหนึ่งเนื่องจากเรามีความพอใจในความสุขความสนุกเพลิดเพลินทางประสาทสัมผัสฉะนั้น จึงไม่คิดที่จะฝึกจิตเพื่อให้พ้นไปจากระดับของประสาทสัมผัสอันที่จริงคนเราไม่มีทางที่จะรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงตามความเป็นจริงได้โดยอาศัยประสาทสัมผัสแล้วก็ไม่มีทางที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าหากยังอาศัยความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสเนื่องจากคนส่วนมากไม่มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้จึงไม่เห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์ ส่วนคนที่เข้าใจเรื่องอำนาจของสมาธิดังกล่าวมาอย่างจมแจ้งและเชื่ออย่างสนิทก็ไม่มีปัญหาอะไรที่เขาจะมองไม่เห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์เพราะด้วยการทำใจให้บริสุทธิ์เท่านั้นคนเราจึงจะเข้าสมาธิได้และสมาธิจะสูงเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับความบริสุทธิ์เช่นในเมื่อสามารถทำใจให้สงบจากนิวรณ์ทั้งห้าได้ก็จะสามารถเข้าฌานได้ และในเมื่อสามารถดับความนึกคิดได้ทั้งหมดก็สามารถที่จะเข้าสมาธิได้สูงขึ้นไปอีกแล้วเริ่มจะรู้อะไรต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากประสาสัมผัสขึ้นมาบ้างแต่ก็ยังไม่มากนักต่อเมื่อสามารถทำใจให้บริสุทธิ์ปราศจากปีติและสุขจิตเป็นอุเบกขาและมีสติอยู่กับตัวทุกขณะจิตซึ่งในตอนนี้จิตใจไ ด, ได้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกและเป็นอิสระจากประสาสัมผัสโดยเด็ดขาด เล่าวคือเครื่องเล่าภายนอกไม่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกนึกคิดใดใดขึ้นมาได้เมื่อสามารถเข้าสมาธิมาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็จะมียานพิเศษเช่นตาทิพหูทิพอย่างนี้เป็นต้นเริ่มเกิดขึ้นแต่ถึงกระนั้นถ้ายังมีความอยากและความยึดถือในสิ่งต่างๆตามความเคชินเหลืออยู่อย่างเปลืองไม่ได้ทั้งหมดหรือพูดอีกในยะหนึ่งยังไม่เห็นแจ้ง ซึ่งอนิจจังทุกขังและอนัตตายัางทะลุปรุกปลงแล้วยานพิเศษขั้นสูงจริงๆก็ยังไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์จากกิเลส ต, ต่างๆโดยเส้นเชิงแม้กระทั่งความอยากที่จะมีตัวตนไม่ว่าในรูปไหนก็ไม่มีและความยึดถือทุกๆอย่างแม้จะเป็นความยึดถือในความจริงที่ถูกต้องก็ไม่มีปล่อยวางได้อย่างเด็ดขาด ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าแม้ต ถ, ถาคตจะรู้ถึงป่า น, นี้ก็หาได้ยึดมั่นในความรู้นี้ไม่เพราะไม่ยึดมั่นในความรู้ทุกอย่างที่มีอยู่จึงได้บรรลุถึงความสงบอันสูงสุดข้อความที่อ้างมา น, นี้อยู่ในพระธรรมชาลสูตรพระไตรปิฎกบาลีเล่มก้าโดยธรรมดาใจของคนเรา เป็นเสมือนหนึ่งกระจกที่วิเศษที่สามารถจะสะท้อนให้เห็นความจริงได้ทุกอย่างถ้าหากทำใจให้บริสุทธิ์ความลี้ลับต่างๆจะรู้ได้โดยไม่ยากเพียงแต่ตั้งใจอธิษฐานเพื่อที่จะรู้อะไรคำตอบหรือเหตุการณ์ที่ต้องการจะรู้ก็จะปรากฏให้เห็นทันทีเรื่องอย่างนี้เป็นของธรรมดาและเหมือนกันทุกคนเพราะมันเหมือนกับกระจกเงาที่ใสสะอาดซึ่งสามารถจะมองเห็นภาพภายในกระจกนั้นได้ทุกอย่าง ในเมื่อเราหันหน้ากระจกไปสู่ภาพอะไรภาพนั้นก็จะลายเห็นในกระจกได้ทันทีใจของคนเราถ้าสามารถทําให้บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นขั้นข้นเหมือนดังที่เด็กเล่ามาแล้วก็จะมีญาณพิเศษต่างๆเกิดขึ้นเช่นมีตาทิพย์หูทิพย์เป็นต้นคนเราอยู่กับกิเลสจนเคยชินทั้งที่รู้อยู่ว่าตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้นอยู่เสมอเพราะกิเลส แต่ก็ไม่ทราบว่าจะเอาชนะมันได้อย่างไรหรือจะพ้นจากมันไปได้อย่างไรซึ่งในที่สุดเราก็ยอมแพ้และก็ทนรับเอาเพราะไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกตัวขึ้นมาบ้างว่าทางที่จะเอาชนะความทุกนั้นอันที่จริงก็มีอยู่แล้วในตัวเราเพราะถ้าหากเราเป็นคนช่างสังเกตก็จะเห็นความจริงข้อนี้ได้โดยไม่ยากเช่นในเวลาที่เกิดความโกรธ กับในขณะที่ใจยเย็นมีผลต่างกันอย่างไรทุกคนเหมือนจะทราบได้ดีจากตัวอย่างในเรื่องนี้เราก็พอจะมองเห็นทางว่าความพ้นทุกหรือการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้ผลดีนั้นอันที่จริงก็อยู่ที่การพยายามทำใจให้บริสุทธิ์นี่เองหรือในขณะที่เราเกิดความมิต ก, กังวลหรือความวุ่นวายในใจทุกคนก็จะรู้สึกว่า ถ้าหากความมิตกกังวลหรือความวุ่นวายในใจนั้นสงบลงเสียได้เราก็จะรู้สึกเป็นสุขและถ้าหากเราจะใช้ความสังเกตให้ดีก็จะพบว่าความมิตกกังวลทั้งหลายย่อมเกิดจากความยึดถือหรือเกิดจากความโลภหรือเกิดจากความอาฆาตพยาบาทหรือเกิดจากความตรณีความเห็นแก่ตัวอย่างนี้เป็นต้นจาข้อสังเก ต, ตต่างๆเหล่านี้ก็จะทาให้เราพบว่า ความสุขย่อมอยู่ที่ความบริสุทธิ์อันที่จริงคนทั่วไปแม้จะไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่มีเวลาเข้าวัดแต่ก็พอที่จะรู้ว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่มีค่ามากเป็นแต่เขาไม่ค่อยซึ้นในคุณค่าของความบริสุทธิ์และเกือบจะตลอดเวลาเขาอยู่แต่ในความหลวงผิดมุ่งแต่จะพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าพยายามแก้ข้อขัดข้องต่างๆตามความต้องการ รือยุ่งอยู่กับการสแสวงหาสิ่งที่กาลังต้องการซึ่งตนเองรู้สึกว่าเป็นความจำเป็นเช่นอย่างคนที่ติดเหล้าติดการพนันหรือติดเที่ยวเขาก็จะไล่เห็นว่าการสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อสนองความต้องการในเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งจาเป็นและเห็นว่าต่อเมื่อได้สมความปรารถนาเท่านั้นจึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์และเพื่อจะปลดเปลื้องความทุกข์ ก็ต้องยุ่งอยู่กับการสแสวงหาสิ่งที่ต้องการแต่ครั้นแล้วก็จะพบอีกว่าความต้องการเมื่อสำเร็จสมความปรารถนาแล้วก็มักจะเป็นเหตุให้เกิดความต้องการอย่างอื่นต่อไปอีกยากที่จะสิ้นสุดลงได้และด้วยเหตุนี้เองจึงไม่มีเวลาที่จะหยุดพิจารณาตัวของตัวเองว่าทำไมจึงต้องยุ่งอยู่กับการสแสวงหาสิ่งต่างๆโดยไม่มีการหยุดหย่อนกันเลย มันเป็นความคิดที่ถูกหรือว่าผิดกันแน่ที่พยายามในอันที่จะสนองความต้องการอยู่เรื่อยๆเช่นนี้คนที่เริ่มมองเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์แล้วเริ่มฝึกสมาธิทำใจให้สงบได้บ้างแล้วเท่านั้นจึงจะค่อยรู้สึกเห็นคุณค่าของความบริสุทธิ์ขึ้นมาโดยลำดับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเขาจะค่อยๆแน่ใจว่าความรู้ที่ได้มาจากประสาทสัมผัสนั้น แม้จะละเอียดถี่ท่วนกว้างขวางลึกซึ้งสักเพียงไรก็ยังไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงและถ้ายึดมั่นอยู่แต่ในความรู้เหล่านี้ก็จะต้องทำให้เกิดความหลงผิดอย่างแน่นอนโดยไม่มีปัญหาและโดยธรรมดาเรามีทางที่จะรู้แจ้งในสิ่งต่างๆได้โดยไม่ยากซึ่งเป็นการรู้ทางใจได้อย่างรวดเร็วนั่นก็คือการพยายามฝึกสมาธิให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ จนกระทั่งตัดความสัมพันธ์จากโลกภายนอกได้เป็นอิสระจากระสาสัมผัสได้แล้วก็จะรู้สิ่งต่างๆขึ้นมาเองจากภายในเพราะตำราเล่มใหญ่ที่จะให้ความรู้แก่เราได้อย่างถี่ถ้วนให้ความรู้ได้ทุกอย่างนั้นได้มีอยู่แล้วในใจของเราทุกคนจงมองเข้าไปภายในแล้วท่านจะเป็นพุทธะองค์หนึ่งนี่คือหลักความจริงที่ทุกคนควรจะเข้าให้ถึง อย่าหลงอยู่กับการสแสวงหาความรู้จากภายนอกจนเกินไปจนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะมองเข้าไปภายในจงคิดสร้างฐานะภายในให้มั่นคงแล้วท่านก็จะมีชีวิตที่มั่นคงที่สุด